กำเนิดที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคาพระเมเกเ อ, อุ ป, ปัชชนตินิระยังปาปะกามิโนสักังสุกติโนยันติปรินิบันติอนาสวาแปลความว่าคนบางพวกเกิดในคันผู้ทาชั่วย่อมไปนรกคนทาดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานอธิบายความผู้เกิดในคันนั้น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 พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บทปาธะปริภาชกว่าโอปาติกะศัพท์นี้มีกายที่สร้างขึ้นจากใจเรียกว่ามโนมัยกายนงเล็บมโนมโยมี อ, อวัยวะแขนขาครบบริบูรณ์ศัพทังขะปัดจังดีและมีอินทรีต่างๆดีพร้อมหีนินนริโย สัต์ผู้ถือโอปปาติกะกำเนิดนี้พึงเห็นสัตว์ต่อไปนี้คือ 1. อบาย4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิบชานสองสวรรค์6กชั้น 3. รูปปรภม16ชั้น 4. รูปปรภม4ชั้นในนว ก, กะนี่บาทอังคุตรนิจายพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโอบปาติกะกำเนิดนี้บุคคลสามารถรู้ได้โดยผ่านทางสมาธิ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 มนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลาอัธยาศัยไปเรื่อยๆอุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทำอะไรสําเร็จได้เร็วมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเด่มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยใครสัตว์เดรัจฉานนั้นภพหน้าของเขาก็าจะต้องเหมาะสมแก่คำของเขาเหมือนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปรินิพนธ์นั้น เพราะมีความโน้มในความดับกิเลสอย่างเต็มที่ตักกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิน้นไม่มีความอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นชนั้นคือโลกุต ร, ระขสัสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราลบพระติสระผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังนี้ พระติสาเถระกุลเคยกับสกุลนายช่างแก้วมาเป็นเวลาถึงส2บสองปีได้รับนิมนต์มาฉันทบานเป็นประจำสองสามีพัญญาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติสะวันหนึ่งนช่างแก้วกำลังนั่งหันเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ราชบุรุษนำแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในายช่างแก้วเจรไนนายช่างแก้วรับแก้วไวทั้งทั้ง ท, ง ท, งที่มื อ, อยังเปื้อนเลือดอู่ วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในในเรือนในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้เกลื่นแก้วมณีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนเกลื่นแก้วมณีนั้นนายช่างแก้วกลับออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามพัญญาธิดาและบุตรโดยลำดับแต่ไม่มีใครรู้เห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาพัญญาว่า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 การที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นทาสของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วเทียงว่าแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นทาสก็ยังไม่เท่าค่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วนายช่างได้เเชือกและไม้มะขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข่าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกขเวทนาแสนสาหาัสได้เกิดขึ้นแล้วท่านลม้มลงยังภาคพื้น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 หากท่านโอทโทษให้ข้าพเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับพิคษาในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมพระเถระกล่าวว่าอุบาสกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่สกุลโดยตรงอัตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อสแสวงหาพิคษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านในสมาทานทุดงว่าปจัจจิมุโนต มุนีโ น, นพัดตังโทกังโทกังกุเลกุเลปินดิกายะจริสามิอาธิชังคะพระ ja ลังมะมะอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากกำลังแค้งของเรามาอยู่เราจะแสวงหาอาหารด้วยปีแค่งนั้นพระเถระพรินิพพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวทนานั้นนกกเรียนตายแล้ว ถือปฏิสนธิในท้องของพัญยาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนพัญยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีกิจอ่อนโยนในพระเถระเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของคนละสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในคันบางพวกทำบาปเกิดในนรกบางพวกทากรรมดีไปสวรรค์ ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น